พาการพระคุณเจ้าที่เคารพแล้วก็อธิโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆ ท, ท่านที่มาร่วมกันปฏิบัติบูบชาในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาในวันนี้ ผมก็รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมทาบุญกับทุกๆท่านในฐานะของอุปกรณ์ของพระธรรม <g ül> <g ül> ก็จะมาพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมในวันอาสาฬหาบูชา ในเชิงของการมาเล่าสู่กันฟังพูดธรรมะสู่กันฟังก็ตามสมควรเกี่ยวเวลาเนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่ได้มาเยี่ยมเยียนที่วัดสวนแก้วผมก็ไม่ไม่เคยได้มาที่นี่มาก่อนนะมาก่อนเคยได้แต่ฟังเทป วังซีดีไม่ทราบว่าที่นี่มีการจัดปฏิบัติธรรมด้วยในวัดสวนแก้วโดยเฉพาะในวันนี้มันเหมือนอย่างกับมันเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าในวัดเนี่ยแยกออกเป็นสองส่วนนะส่วนข้างหน้าที่ผ่านมาเป็นเรื่องของสมมุติเรื่องของสมมติสัจเะเรื่องที่ต้องวนเวียนอยู่ในโลก เป็นเรื่องเกื้อกูลกันแต่สวนเข้ามาบนสะลานี่นี่มันคนละเรื่องนะอันนี้เป็นเรื่องของปรมทัทิตย์สัจจะเป็นสัจธรรมเรียก่ค้นหาของจริงที่ไม่ได้อยู่ในโลกพ้นออกมาจากโลกอโลกความเป็นจริงคือปรมาทธรรมก็เลย หรือว่าข้างในนี้มันก็มีการมาดูกายดูใจเราเหมือนกันเนาะข้างนอกก็ดูด้านหน้าก็ดูข้างนอกด้านนี้ดูข้างในมองชีวิตด้านในก็ให้มันเหมาะสมกับวันสำคัญและก็สถานที่วัดสวนแก้วนี้เราก็ต้องมาพูดคุยกันเรื่องการปฏิบัติภาวนา โดยเฉพาะวิปัสนาภาวนาเนี่ยวันนี้เรามาทำวิปัสนาภาวนานะด้วยการเจริญสติวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งนอันนั้นเป็นเป้าหมายแต่ว่าการที่เราจะพาชีวิตไปสู่เป้าหมายของการเห็นแจ้ง คือตัวปัญญานั้นมันก็ต้องเริ่มก่อตัวจากการเจริญสติซะก่อนเนี่ยสติเนี่ยจะว่าเป็นยานขนส่งพาชีวิตจิตใจเราไปสู่ปัญญาการเห็นแจ้งผลการเห็นแจ้งก็คือพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ใช่พ้นชั่วคราวเนี่ยถือว่าเป็นหลักสำคัญที่ พระพุทธเจ้ามีอภิษสงให้คนในโลกนี้พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงคือพ้นออกไปจากความทุกข์ในโลกทั้งหลายจากปุศุชนไปสู่ความเป็นอริยะชนซึ่งกลับมาทุกข์ไม่ได้เป้าหมายในสูงสุดใช่นะเป้าหมายสูงสุดของการมีชีวิต คือการพ้นทุกข์แต่มก็ต้องเริ่มต้นได้จากการพื้นฐานคือการฝึกสติหรือการเจริญสติการเจริญคือทําให้พัฒนาขึ้นทําให้มีขึ้นการเจริญสติซึ่งการเจริญสติเนี่ย พูทเลอสติสติแปลความว่าเนี่ยความหมายของสตินะเนี่ยคือความระลึกได้หรือความไม่หลงลืมตัวเนี่ยระลึกได้เมื่อไหร่แล้วก็เราก็ไม่หลงลืมตัวที่จริงภาวะเนี่ยมันมีอยู่แล้วในเนื้อในตัวเราคือสติ วความไม่ลืมตัวเนี่ยมีอยู่แล้วมันง่ายที่จะเจริญขึ้นมาเพราะทําในสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันพัฒนาขึ้นมันจึงทําให้เกิดความง่ายจะเรียกว่าในในคนทุกคนเนี่ยมีอยู่ธาตุธาตุหนึ่งที่สําคัญมากคือธาตุรู้เนี่แหละ ธาตุรู้คนคนหนึ่งประกอบด้วยธาตุหกธาตุธาตุาดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุเราเคยได้ยินตรงนี้ไหมเวลาเราไปหาหมอ แททางเลือกเขากจะถามเราว่าโอ้คุณนี่ธาตุอะไรคุณมีธาตุอะไรในตัวเนี่ยผมเนี่ยเป็นธาตุดินครับฉันเป็นธาตุลม <c oughs> ลมเพชรหึง <c oughs> ผมเป็นฉันเป็นธาตุลมบางคนเราเป็นธาตุน้าบางคนเราเป็นธาตุไฟไม่เคยมีใครบอกว่าเราเป็นธาตุรู้ ซึ่งสําคัญกว่ า, าธาตุอื่นนะาธาตุรู้เนี่ยถ้าไม่มีาธาตุรู้เนี่ยดินน้ําไฟลมมันก็ยังหลับไหลอ ย, อยู่และเท่ากับไม่มีชีวิตชีวิตต้องประกอบด้วยธาตุรู้หรือวิญญาณาาธาตุทีนี้ถ้าใครมาถามเรานะเธอาธาตุอะไราธาตุรู้จ้ามันเด่นมากเลยธาตุรู้เนี่ยเพราะท่านไม่มีาธาตุรู้เนี่ยเราเหมือนคนตายแล้ว เห็นหมคนตายแล้วมีธาตุรู้ไหมคนหลงก็ไม่มีธาตุรู้เหมือนกันนะนั่น่านนี่สำคัญมากนะซึ่งมีอยู่แล้วในเนื้อในตัวของเราแต่ว่ามันยังไม่ตื่นธาตุรู้เรายังไม่ตื่นคนยังหลับไหลยอยู่นั้นการจริตวิทือการพัฒนาธาตุรู้เนี่ย ปลุกธาตุรู้ด้วยสติให้มันตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ให้กับชีวิตนะพอาธาตุรู้ตื่นผลที่ตามมาคือความเบิกบานเป็นาธาตุพุทธนะรู้ตื่นเบิกบานนี่เป็นความหมายของพุทธพุทโธนะเราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าด้นั้นจะต้อง พัฒนาธาตุรู้ให้ตื่นแล้วก็เบิกบานเป็นพุทธาพุทโธพุทธก็จะสิงสถิตในใจเราอุบัติขึ้นในจิตใจเราอย่าไปรอต่อตายแล้วอย่าไปรอเกิดในแดนพุทธภูมิอธิษฐานเกิดแดนพุทธภูมิเนี่ยบางทีมัวแต่อธิษฐานไม่ได้ปฏิบัติให้เกิดแดนพุทธภูมิจริงๆในปัจจุบันเนี่ยอย่างดีก็ไปเกิดในแดนสารพระพภูมิมานะ นะไปเกิดในแดนสามพระภูมินี่ไม่ใช่แดนพุทธภูมินะ เ, นเพราะนั้นการฝึกสติการพัฒนาท่านรูกมันตื่นอย่างที่เรากำลังทำเนี่ ย, ยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวในแนวหลปประเทีย น, นยหรือคนที่เคยฝึกอานาปานสติ รู้ลมหายใจหรือคนที่ฝึกการภาวนาแบบยุบหนอพองหนอก็เป็นการปลุกธาตรู้ท้งนั้นแหละ <c oughs> คือชื่อว่าอุบายแบบไหนจะปลุกให้มันตื่นได้ไว <c oughs> บางทีเราว่าเราปลุกธาตรู้นะนั่งหลับตาซึมนั่นแหละมันมันพัฒนาธาตหลงธาตหลับ ถ้ามีการลืมตามีการเคลื่อนไหวเมื่อไหร่แล้วก็โอ้ธาตุรู้มันตื่นมันทาหน้าที่เลยมันวัวหลับหลไม่ได้แล้วมันมีการลืมตาดูโลกเคลื่อนไหวดูตัวเองนะมันจึงปลุกธาตุรู้ได้ง่ายด้วยการเคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวนี่เขยา่าธาตุรู้นี่จิจะให้มันเบิกบานขึ้นมาถ้านั่งเฉยๆนิ่งๆหรือหลับตาเผลอสงบนิ่ง มันก็หายปุ๊บ <c oughs> ไม่รู้รู้อยู่ไหน <c oughs> แต่การฝึกสติการเจรติเนี่ย <c oughs> มันก็มีความสงบมีสมาธิในตัวแต่ในความสงบนั้นมันมีธาตรู้ที่เบิกบานอยู่ในความสงบสงบแบบรู้สึกตัวไม่ใช่สงบแบบหลงลืมตัวหลุดไปหานิมิตรนั่นลืมแล้วหลมแล้ว <c oughs> <c oughs> นะ มันต่างกันนะเราจึงมีรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถที่จะมาฝึกแล้วก็เปรียบเทียบดูของเกา่าดีอยู่แล้วอย่าไปทิ้งแต่ลองของใหม่ดูบ้างสิเป็นการบางทีเป็นกา ร, าการต่อยอดถูกจริตของเราก็ได้ <c oughs> ลองดูนะวิธีการพัฒนาท่าทรู้เนี่ยมันก็ง่าย พอกายเคลื่อนไหวใจรู้ขยับกายใจรู้ทันรู้ให้ทันกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยใช่ไหมเริ่มปลุกธาตุรู้แล้วต่อไปถ้ามีรายละเอียดขึ้นมาพอแลาจิตมันคิดเราก็จะรู้ให้มันทันจิตที่มันคิดอีกเนี่ยพัฒนาสองอย่างเนี่ยมีสติรู้กายเคลื่อนไหว แล้วก็มีสติรู้ใจที่มันคิดมันนึกสองอย่างวิธีการฝึกธาตรู้สองอย่างว่าการรู้นี่รู้เฉยๆนะไม่มีเงื่อนไขอะไรไม่ต้องกังวลใจอะไรรู้แบบส บ, สบายแบบผ่อนคลายรู้ยังไงก็รู้อย่างที่รู้นั่นแหละ <c oughs> อย่างเช่นเราพลิกมือรู้เนี่ยธาตรู้ขึ้นหละ ก็ทิ้งไปเอาใหมย่ยกมือรู้ก็ทิ้งไปเอาใหม่เอามือเข้ามาก็รู้สึกนะ <c oughs> <c oughs> พลิกมือเป็นขณะรู้เป็นขณะแล้วก็ทิ้งไปเลยให้มันเกิดดับไปเลยแล้วก็รู้ใหมย่ยกรู้แล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วมือเข้ามารู้แล้วก็ทิ้งไปเลยอย่าไปอย่าไปกังวลใจอย่าไปอาลัยวอนว่าเมื่อกี้รู้หรือเปล่า รู้แล้วทิ้งรู้แล้วทิ้งแล้วก็รู้ใหม่รู้ใหม่เนี่ยธาตรู้มันผูดขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยเห็นไหมมันมีการต่อ ย, ยอดทุกครั้งที่รู้กลายเคลื่อนไหวมีสติรู้ใช้ได้ยกมือขึ้นมามีสติรู้ใช้ได้แล้วก็รู้ใหม่จนครบสต่สิบสี่รู้ตอนนั้นเองให้ เคลื่อนไหวเป็นขณะขณะรู body, ้เป็นขณะขณะรู้แล้วก็ทิ้งไปเลยนะอย่าไปอะไรบอนอย่าไปคิดอะไรการเจรติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรให้เปลองสมองเราคิดมากแล้วนะตอนนี้เราก็มาพักจิตโดยการมารู้เฉยๆแต่ใหม่ๆนี่ถ้าเราไม่เคยจำนาในการปฏิบัติ เราต้องมีเจตนาหนะ่อยเจตนาเคลื่อนไหวแล้วก็เจตนาอาจัยเข้าไปรู้ต้องมีเจตนาขึ้นมานะถ้ามีมีเจตนาเนี่ยมันจะไม่มีการกระทาอะไรเลยนะงั้นใจแล้าก็จะเลื่อนลอยเจตนาเคลื่อนไหวเจตนาที่จะรู้สึกตัวตัวเจตนาคือตัวสติคือระลึกได้ว่ากำลังเคลื่อนไหว ระ ล, ลึกได้ว่ากําลังรู้ใชสติว่าความระ ล, ลึกได้มันก็ไม่หลงลืมตัวถ้าไม่เจตนาเนี่ยเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยการทำอะไรทุกอย่างจะต้องมีการเริ่มต้นเจตนาคือการมีสติตั้งใจทำสติจริงๆตั้งมั่นเกิดสมาธิที่ตั้งมั่นอย่าไปกลัวว่าจะเพ่งอย่าไปกลัวว่าเราจะตั้งใจจนเกิดไปอย่าไปกลัว มัวแต่กลัวสิ่งทุกทีนี้เลยไม่ได้ทำอะไรทำไปก่อนทำไปก่อนทาไปก่อนเมื่อเกิดปัญหาก็เรียนรู้กับปัญหาพลิกมือรู้สึกใช้ได้ยกมือรู้สึกใช้ได้เอามือเข้ารู้สึกกายเคลื่อนไหวใจรู้ขยับกายใจรู้ทันเคลื่อนไหวเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นเหรอมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากนะ มันยากเพราะเราคิดว่ามันยากมันยากที่ความรู้สึกของเราหลอกของจริงนี่พลิกมือรู้สึกยกมือรู้สึกขยันรู้สึกเรื่อยๆรู้เป็นขณะรู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ปล่อยเกิดและดับเลยรู้เกิดแล้วก็ทิ้งเลยดับไปเลยแล้วก็รู้ใหม่รู้ใหม่ทุกอย่างมันสิ่งที่เกิดดับทั้งนั้นกายเคลื่อนไหวก็เกิดดับไหมไม่อยู่กับที่จิตที่รู้มันก็เกิดดับ กายจิตนี่มันไม่เที่ยงหรอกมันเกิดดับเกิดดาบเกิดดาบดขยันรู้ให้ต่อนเนื่องและเราจะรู้ไปทําไมแล้วจะเลิกรู้เมื่อไหร่สงสัยไหมเราจะรู้สึกตัวไปทําไมและจะรู้เมื่อไหร่จะรู้จนสิ้นลมหรือเปล่าอ่ะลองตอบในใจดิ คนบอกรู้เพื่อดับทุกข์รู้เพื่อไม่หลงนะเพราะถ้ารู้อะไรแล้วก็หลงเกิดไม่ได้เพราะว่าที่รู้กับเพราะที่หลงเนี่ยมันเกิดพร้อมกันไม่ได้ถ้าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหลง เ, เห็นไหมถ้ามันหลงเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันจะพาไปสู่ที่ที่ลกที่ลำบากตกอบอายภูมินะ หลงคิดหลงกโกรธหลงโลภหลงทำร้ายนะั่นคือหลงทั้งนั้นแหละแต่ถ้ารู้เมื่อไหร่แล้วก็รู้กโกรธได้สติปัญญาโกรธได้แต่รู้ด้วยเพราะนั้นะนะถ้ามีธาตุรู้รู้สึกตัวเมวื่อไหร่ก็หลงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยรู้เพื่อป้องกันความหลงหรือรู้เพื่อไม่หลง ตัวเดียวรู้เฉยๆอย่างเงี้ยอย่าไปคิดรู้แบบไม่คิดรู้แบบไม่ว่าอะไรรู้แบบไม่คิดถ้าคิดเมื่อไหร่เราก็อ่าไม่รู้ใช่ใช่ไหมย่างเดียวฟออยาไปทำอะไรมาๆอย่าไปสนใจอย่าไปกังวลเอาเหตุเอาผลนี่เราไม่เคยทำทำอะไรง ง, ง, ง, งัก เสียเวลาชีวิตมานานแล้วเรื่องความคิดปรุงแต่งเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผลเสียเวลานะเปลี่ยนไปเลยเราจะมาทำอย่างเงี้ยเราจะรู้ใชเฉยรู้ซื่อๆเงี้ยมันลัดตรงศูนย์พระนิพพานเลยนะเห็น ไ, ไหมรู้เฉยๆโดยที่ไม่ต้องคิดแต่รู้ครั้งเดียวมันจะพอไหม นี่พอหลอกรู้ครั้งเดียวมันก็ได้ครั้งเดียวเนี่ยเจตนาใหม่ๆเรื่อยๆอย่างนี้แหละและต่อไปเนี่ยเรารู้ต่อเนื่องรู้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยไอสิ่งที่เราเจตนาทําขึ้นมาเนี่ยมันไม่ต้องหรอกมันจะรู้เองโดยอัตโนมัติแม้ไม่เจตนาไม่ตั้งใจมันก็รู้ได้เพราะเราหวานพืชเชื้อลงไปแล้วลดน้ำํำวนดินคือขยัญรู้เยพืชเชื้อมันก็จเจริญงอกงามเบิกบานเป็นพุทธะพุทโธนต เจตนามันจะหายไปกลายเป็นชีวิตเกิดเป็นเองเป็นชีวิตที่รู้เองง่ายที่จะรู้ยากที่จะหลงแต่แล้วชีวิตนี้นะ ม, มันเป็นเองได้เมื่อพัฒนาขึ้นมาทุกอย่างมีการพัฒนาได้นะเนี่ยนั้นต้องทำให้ต่อเนื่องในรูปแบบเราสามารถทำต่อเนื่องได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่การต่อเรื่องที่ดีนั่นเนี่ยเราต้องมาใช้นอกเหนือรูปแบบนะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถเติมท้ารู้ตลอดเวลาเลยนะให้มันสอดคล้องกันในรูปแบบทําเพื่อจิตมันเข้มแข็งให้ทําเป็นและความเข้มแข็งของจิตนี่ลนะเราสามารถเอามาพัฒนาโดยการมาทาในชีวิตประจำวันนะทำได้ทั้งวันเลย เนี่ยลืมตาตื่นขึ้นมาให้มีสติรู้เห็นไหมเริ่มปลุกทารู้มาตอนที่เราตอนตื่นนะชีวิตที่มีความรู้สึกตัวตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตบริสุทธิ์จิตเป็นกุศลตอนนั้นเริ่มต้นด้วยกุศลละชีวิตเราจะเป็นมงคลชีวิต พอตื่นมารู้สึกตัวจิตจะแจ่มใสสมองปลอดโปร่งขจัดความงวงเงียงุ่นงงอี้เงา้าหมดไปเลยเห็นไหมเนิ่มต้นชีวิตใหม่จะหาดยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใจเรานะั่นแหละและต่อจากนั้นก็รู้ต่อนเนื่องไปเรื่อยๆตื่นมาพระประหมก็รู้สึกตัวนะเก็บเกี่ยวกุศลได้ตลอดทั้งวันเลยะปะผหมออกกาลังกายมามทำบัตรสวดมนต์กราบพระ เติมความรู้สึกรู้สึกลงไปในสิ่งที่เราทำเมื่อลืมไปแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วไปแล้วกันไปอดีตไปแล้วก็รู้ใหม่ชีวิตยังมีอยู่ก็รู้ใหม่นะ <c oughs> เพียงแต่เติมของใหม่ไปเรื่อยๆ เ, เ, เ, เดี๋ยวของเก่ามันก็หายไปเองรู้ใหม่รู้ใหม่ทานข้าวเช้าก็รู้สึกตัว แปลงฟันรู้สึกตัวอาบน้ำแต่งตัวมีสติเข้าไปรู้กายเคลื่อนไหวใจรู้พอเผลอไปก็รู้ใหม่อย่าลืมรู้พอมันคิดปรุงแต่งก็รู้อีกเราเคลื่อนไหวมีสติรู้นี่โอ้ได้แล้วหนึ่งคะแนนแต่เวลาจิตคิดสติรู้โอ้นี่คะแนนนับไม่ทั่วเลยน ะ, จะเจริญสติรู้กายเพื่อเป็นฐาน ให้สติไปรู้ทันความคิดนั่นคะแนนมากอยู่ตรงนี้รู้ทันความคิดเพราะความคิดมันนำเหรื้นความทุกตัวเราของเราเกิดจากความคิดกิเลสต่างๆก็มาจากความคิดถ้าไม่คิดกิเลสมันไม่เกิดเห็นปะไอ้นั <c oughs> <de b> น่นสำคัญนะตัวสาคัญเลยเนี่ยการฝึกสติยกมือเคลื่อนไหวเดินยกลมเนี่ยเพื่อใ ห, ให้จิตมันเข้มแข็ง เ, เพื่ออะไร เพื่อไปรู้ทันไอ้ที่มันคิดนั่นแหละนั่นแหละตัวตนมาจากความคิดอัตราต่างๆมาจากความคิดความยึดมั่นถึงมั่นทั้งหมดมาจากความคิดสำคัญเลยถ้าข้ามขั้นไปดูความคิดเลยเราจะกลายเป็นคนคิดไม่เห็นความคิดแต่เราคิดผู้ต่อสู้ตรงนั้นเนี่ยมันมันยิ่งใหญ่มาเราต้องฟิต ฟิจาการรู้กายเคลื่อนไหวเดี๋ยวพัฒนาไปสู่การรู้ใจที่คิดนึกได้อย่าข้ามไปดูจิตเลยนะเนี่ยบางทีเราจิตใจเรายังไม่พร้อมสติเรายัางอ่อนอยู่มันก็ไหลไปกับความคิดตามวิสัยเดิมของเราใช่ไหม เ, เรามันมีธาตุชอบคิดอยู่แล้วเราต้องพัฒนาธาตุรู้นะเนี่ย ให้ต่อเนื่องแล้วชีวิตจะลงอยู่กับปัจจุบันที่นี่ถ้ามีสติปัจจุบันเกิดขึ้นทันทีถ้าขาดสติไม่อยู่ปัจจุบันแล้วลืมเนื้อลื ม, ลมตัวไปแล้วจำไหมนะเราจะรู้เลว่าเรามีสติหรือเปล่าก็แล้อยู่ปัจจุบันหรือเปล่าปัจจุบันคือกายทำอะไรรู้สึกจิตคิดอะไรรู้ทันนี่นนคือปัจจุบัน เป็นชีวิตจริงและปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความผ่อนคลายทุกไม่เกิดทุกเกิดเพราะเราไปคิดอดีตอนาคตทุกมันจึงเกิดถ้ามีสติจิตก็อยู่กับปัจจุบันทันทีนะ <Yeah. Yeah. S 1> อย่าไปตั้งใจเพ่งจ้องหรือจี้หรือดูอย่างเป็นรายละเอียดอย่าไปคิดอย่างนั้นนิสัยเราชอบเก็บรายละเอียด อย่าไปเก็บรายละเอียดรู้ผิวเผินถ้าเก็บรายละเอียดจิตจะเครียดเลยนะเริ่มเพ่งแล้วเก็บรายละเอียดเ่อจะเอาใช่ไหมรู้ผิวเผินไม่เอารู้แบบผิวเผินจิตจะผ่อนคลายไม่เครียดใช่าหพอเราตั้งใจจนเกินไปใจมันก็เครียด yeah. Yeah. แต่ถ้ารู้แบบเบาๆรู้แบบเบาๆรู้เล่นๆแบบผ่อนคลาย โอ้ใจมันก็มีความสุขนเนี่ย <c oughs> อย่าไปตั้งใจเพ่งจ้อง <c oughs> หรือเก็บรายละเอียดจนเกินไปรู้แบบผิวเผินก็พอแล้วรู้เทีเยบเล็กแน้อยก็ใช้ได้แล้วดีกว่าไม่รู้เลย <c oughs> <c oughs> ถ้าเราจเจริญสติไปเรื่อยๆต่อเนื่องเนี่ย <c oughs> มันจะเกิดขึ้นเอง <c oughs> จะเกิดขึ้นเอง สติจะเกิดขึ้นเองมันไม่หายไปไหนหรอกถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราฝึกบ่อยๆเนี่ยสติมันจะเริ่มคมชัดจิตจะเริ่มเข้มแข็งนะคือเข้มคือมันมองอะไรก็ชัดเจนมันเป็นไปเองมันค่อยพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนะเริ่มต้นจากหนึ่งและวสองสามพัฒนาขึ้นไปเองอย่าไปข้ามขั้น ของมันพัฒนาได้สติเมื่อฝึกบ่อยๆมันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยความหลงเกิดไม่ได้ความหลงไม่เกิดจากสติธรรมดาเนี่ยมันกลายเป็นสติปัฏฐานสติธรรมดาคือมองข้างนอกสติปัฏฐานมองที่เนื้อที่ตัวเราขาอมองคือเอาใจเข้าไปรู้จักตัวเรารู้กายรู้ใจสติปัฏฐานนี่รู้ข้างในนะรู้กายเคลื่อนไหว รู้เวทนาที่เกิดขึ้นรู้ความคิดรู้จิตรู้ใจหรือสรุปแล้วคือรู้กายรู้ใจกลับมารู้ตัวเราเห็นไมใหม่ๆนี่เรารู้แต่ข้างนอกแต่มาฝึกเข้าวันๆ้งวันนี่บางคนรู้ตัวเรามากขึ้นรู้ทิตตัวเรามากขึ้นนั่นเข้ากันสติปัฏฐานแล้วสติธรรมดาพัฒนาเป็นสติปัฏฐานต่อไปเข้าถึงความรู้สึกตัว ความรู้ตัวหรือเรียกให้เรียกให้สมบุติคือความรู้ตัวทั่วพร้อมเข้มแข็งแบบพร้อมที่จะรู้อะไรทั้งนั้นอะไรมากระทบรู้รู้รู้กระทบ <c oughs> นะ <c oughs> พัฒนาขึ้นมานะถ้ารู้นี่พัฒนาได้จิตเราพัฒนาได้ถ้าจิตพัฒนาไม่ได้ไม่เรียกว่าจิตจิตต้องพัฒนาได้ เห็นไหมเราเกิดขึ้นมานี่เราไม่รู้อะไรเลยนะแต่ยิ่งหนึ่งวันสองวันหนึ่งขวบสองขวบจนกระทั่ง4ี่ิบห้าโอจิตเราพัฒนามาแค่ไหนใช่ไหมมันแต่ว่าสงสัยว่าพัฒนาไปทางไหนกันแน่บางทีพัฒนาไปหลงก็มีนะยิ่งพัฒน ย, ยิ่งพัฒนายิ่งหลงนะั้นไม่ช่้ไปพัฒนายิ่งเสื่อมแต่ถ้ามาฝึกตติปฏิบัติธรรมนี่มันพัฒนาไปทางรู้ทางเกิดปัญญา นะั่นะนะคือพัฒนาจริงนะเมื่อสติคมชัดความคิดจะไม่เกิดเห็นไมมีบางช่วงเนี่ยพอ ร, รู้ตัวแล้วความคิดไม่เกิดอความคิดหายไปไหนไอ้ตัวเราหายไปไหนนี่มันเข้าสู่ปรมาธรรมแล้วนะมันจะนอกเหนือสมมติแล้วนะเนี่ยสติคมชัดความคิดไม่เกิด มีแต่รู้ล้วนรู้สึกล้วนรห็นไเคยมีไหมมันไม่ได้เป็นภาพนะไม่มีภาพมันเป็นสภาวะที่มีความรู้สึกล้วนซึ่งมีอยู่แล้วในคนทุกคนแต่ภาวะอย่างเงี้ยมันปรากฏไม่ได้หรอกเพราะเราโมวแต่คิดล้วนๆไอ้รู้ล้วนเลยหายไปถูกไหมเนี่ยพอสติมันเข้มแข็งมันก็ทำให้จิตเนี่ย ตั้งมั่นเป็นสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาณิตั้งมัน่นรู้สึกตัวดูอยู่ดูอยู่เกิดภาวะหนึ่งเป็นภาวะที่รู้สึกตัวคือรู้ตัวทั่วพร้อมภาวะนี้ไม่มีชื่อไม่มีที่ไม่มีชื่อไม่มีที่มีแต่สภาวะที่เบอกว่าคนนั้นมีสภาวะอย่างนั้นสภาวะสภาวะคือสิ่งที่ไม่มีชื่อไม่มีสถานที่บอกไม่ได้ไม่มีลักษณะ แต่มันมีอย่างนั้นแหละ <c oughs> ความรู้สึกตัวเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าพูดมามันก็เป็นสมมุติซึ่งมีในคนทุกคนนะ อ, อีตรงนี้แหละภาวะมันเป็นกลางที่สุดเลยเพราะที่เป็นกลางคือรู้เฉยๆรู้ซื่อๆรู้ล้วนๆเนี่ยคือความเป็นกลางของจิตภาวะที่บริสุทธิ์เนี่ย มันก็จะไปเห็นอีกภาวะหนึ่งซึ่งเป็นเพราะที่ไม่มีตัวตนเนี่หายตัวเลยนะหายตัวไปไหนตัวมันหายไปไหนไม่รู้ <c oughs> หายตัวอยู่กับพระเจ้ า, าแล้วไม่มีตัวเห็นภาวะเน่ะโอ้เห็นรูปเห็นรามแนละ้วไม่มีตัวเราไอ้ที่เคลื่อนไหวเยือกเยือกยา ก, ยา ก, ยากเนี่ยโอ้มันเป็นส่วนของรูปส่วนของกาย อ้จิตที่เข้าไปรู้เนี่ยเป็นส่วนของนามเห็นรูปเห็นนามไม่มีตัวในรูปนามซึ่งมีอยู่แล้วในคนทุกคนแต่เพราะความหลงความคิดนี่แหละทำให้เราเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นจริงๆนภาวะรู้สึกตัวเห็นภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตัว กายเคลื่อนไหวนั่นก็คือรูปจิตที่รู้นี่คือเป็นนามโอ้นั่นความคิดโผร่มนั่นก็คือนามนะ <c oughs> มันไม่มีตัวเราละมีแต่รูปมีแต่นามชีวิตเราแล้วเห็นอะไรอรูปนานมันเปลี่ยนแปลง น, นะ เดีมันพลิกนู่นเดยพลิกนี่รูปเนี่มันเปลี่ยนแปลงมันเคลื่อนไหวมันไม่นิ่งมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยถึงไม่เจตนาเคลื่อนไหวมันก็ต้องเคลื่อนเพราะมันต้องแก้ทุกมันนะเห็นรูปนี่ยมันไม่เที่ยงล่ะมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนั่งนั่งแล้วก็ไม่นั่งนี่แล้วขยับแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงอ๋อรูปมันก็ไม่เที่ยงนะมันเกิดกัดเกิดเกิดดับดับนี่เนาะจิตที่รู้บางทีมันก็ไม่รู้ตลอดนะบางทีรู้บ้างหลงบ้างหลงบ้างรู้บ้าง รู้มากหลงน้อยอะไรเงี้ยมันก็ไม่แน่นอนนะจิตมันรู้ได้มันก็หลงได้โอ้จิตมันก็มีเที่ยงเนี่ยมันเกิดเกิดดับดับเดี๋ยวปรุงแต่งลนะสงสยัยเอ้มันจริงไหมมันถูกไหมเพราะเป็นความคิดคขึ้นมาแล้วนะเราก็รู้เท่าทันในความคิดว่าที่ก็ดับไปโอ้ความคิดมันก็มีเที่ยงและตัวเราอยู่ตรงไหนนี่ยเนี่ยเป็นวินวชาหายตัวนะเนี่ย ไม่ใจวิชาหายตัววิชาหายตัวหายตัวไปไหนอยู่กับพุทธเจ้านั่นคือดานพุทธภูมิ อ, อไม่ธรรมดานะถ้ารู้สึกตัวล้ว น, ว น, วนเกิดเป็นสติที่เข้มแข็งเข้าสูธธ่สติปัฏฐานจิตมันจะลงทางสายกลางไปเองเนไปทำใจให้เป็นกลางอ่ะมันกลางไม่ได้หรอก ไปทำมันขึ้นมาเนี่ยมันมันกลางไหม <c oughs> ความเป็นกลางมีอยู่แล้วเนี่ยคนทุกคนเพียงแต่ระวังอย่าไปยึดติดในความปรุงแต่งซะทางสายกลางเนี่ยมันเป็นวันสำคัญวันนี้นะพุทิองค์นี้เทศการแรกในโลกนี้เทศเรื่องทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทา อยู่ในธรรมจักรกับปวัฒนสูตรเทให้ปันจจวคีฟังเทศกันแรกมีคนฟังห้าคน เ, น <c oughs> เราพูดวันนี้ยังโหคนมากกว่าห้าอาจจะบรรุเกินห้าก็ได้นะ เ, <c oughs> เทศงทางสายกลางพเทศโจบเกิดอะไรขึ้นโอ้เกิดพระสงฆ์รูปแรก ในพุทธศาสนาอัญญาโกณทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมนะวันนั้นล่ะเกิดเป็น พ, พระรัตนไตรพร้อมกันเลยพทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วแสดงธรรมอันดับสองนะอัญญาโกณทัญญะเป็นโสดาบันโนเป็นสงรูปแรกในโลกนี่นะครบเลย พระรัตนาตายตั้งขึ้นเป็นพระวุฒิศาสนาก็คือวันนี้แหละสำคัญมากเลยเนี่ยท่านได้รู้ทางสายกลางถ้าอยากอยู่บรลาสายกลางคือการมีสติรู้สึกตัวรู้เฉยๆรู้แบบไม่คิดปรุงแตง่งนั่นแหละคือทางสายกลางท่านอัญญากกรยาเห็นการเกิดดับเปล่งอุทานแล้วว่าอ๋อ เทศจบท่านเป็นอุานเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นการเกิดดับต่อหน้าต่อาตอาในปัจจุบันขณะเลยเป็นโสดาบันเลยพูทธเจ้าโอ้นี่รับรองโสดาบันเลยโกนทัญยะรู้แล้วหนอโกนทัญยะรู้แล้วเนาอ ไอ้ที่หยุดเนี่ยบางทีจะรอเผื่อจะมีใครรู้บ้างหยุดรอนะสำคัญนวะวันนี้นะหยุดรอเผื่อจะมีใครรู้แล้วหนอเพราะนั้นพืชเชื้อเนี่ยเริ่มต้นจากการฝึกสตินี่แหละฝึกสติฝึกให้มากมากบ่อยๆพัฒนา่าตุเรื่อยๆก็จะนำไปสู่สมาธิสู่ปัญญาเห็นการเกิดดับ เห็นรูปนามกาจิตเกิดดับไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกมีโดยสมมุติของเราทั้งนั้นแหละมเนี่ยมันหายตัวเลยนะวิชาหายตัวคือวิชารู้สึกตัวนี่แหละเพราะนั <S 2> <S 2> <S ้นในแต่ละวันเนี่ยเราจะปฏิบัติในรูปแบบนอกรูปแบบก็ตามในรูปแบบคือการยกมือเคลื่อนไวหวการเดินจงกรมกับการใช้ชีวิตที่ว่าสวนแก้วอย่างเนี้ย ให้เติมความรู้สึกตัวเติมสติเติมท่านลดลงไปเรื่อยๆเอะเนเป็นการพัฒนาตลอดเวลาอยู่ที่ไหนเราก็มีสติได้พระองค์ตรัสไว้ว่าสติจำผาตจาปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออยู่ที่ไหนก็มีสติได้อยู่วัดก็มีสติอยู่บ้านก็มีสติเนี่ยไปซื้อของ ก็มีสติแต่งตัวขับถ่ายมีสติได้ทั้งนั้นเติไมได้ทุกที่ไม่ได้ว่าที่นี่ถนนจิตจะมีสติไม่ใช่หรอกที่ไหนก็ได้ที่มีจิตเพราะจิตเป็นธาตุรู้ทาหน้าที่เอารู้เวลาเราไปทํางานเนี่ ย, ย, ย, ย, ยถ้าเราขาดสติจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีสติในการทํางานเนี่ยมันไม่ค่อยปิดพลาดนะ มันไม่ค่อยบิดบานมาอยู่กับเนื้อกับอยู่กับปัจจุบันจิตจด จ, อจอ่อที่งานจิตมันก็ไม่ปรุงแต่งไปหวังผลในในอนาคตว่าจะได้อะไรจะเสียอะไรมันก็มีความสุขอยู่กับแดนงานนี่แหละนะ แ, และอยู่กับการทำงานบางทีเราทำงานคนเดียวบางทีเราทำงานหลายๆลายคนในที่ทำงาน มันย่อมมีการกระทบกันบ้างถ้าคนขาดสติมันกระทบกันมันก็แตกเล้ากันไปถ้าคนมีสติเกิดการกระทบอารมณ์โกรธเ ก, ดกิดขึ้นในจิตใจถ้ามีสติรู้ทันอารมณ์โกรธถ้ารู้ทันความโกรธเลยแล้วก็มันจะไม่ระเบิดออกมาทางกายทางวาจานะถ้าขาดสติว่าโกรธปั๊บนิด มันระเบิดออกมาทางกายทางวาจาะนะกายทำร้ายใจว่าเขานี่เห็นเนี่ ย, ยผลการขาดสติขณะทำงาน <Yeah. S 1> เราจะเริ่มเห็นประโยชน์สติสติได้กับอิทงเนี่ยอิรงที่มีอารมณ์โกรธมากระทบ <c oughs> เราสามารถควบคุมมันได้รักษาจิตใจให้ปกติได้หรือแก้ปัญหาได้แบบบัวไม่ช้าน้ำไม่คุ่นก้อนอื่นไม่เดือดร้อนมันไม่ระเบิดออกมา เพราะไม่แน่นะเราทำงานเนี่ยอยู่บ้านก็ตามเนี่ยเรากระทบกันไปทั่วนะเคยไหมอยู่ใกล้คนบางคนีสึมันร้อนเหลือเกินนะคนนี้คนที่จิตมีความโกรธเนี่ยคนใกล้ตัวก็จะรู้สึกนะรู้สึกนะว่าโคนนี้โกรธพอข้าใกล้แล้วมันมีความรู้สึกที่มันร้อนไม่ต้องไปมีเจโตอะไรแล้วบางทีมันจิตมันสัมพันธ์กันได้โอ้คนนี้ พอใกล้แล้วร้อนโทสะเนี่ยใกล้แล้วร้อนบางคนมีโลภะมากใกล้แล้วก็ ร, ร้อ น, นหนาวนะ <c oughs> หนักก็อย่างนั้นร้อนหนาว <c oughs> โอ้ใกล้คนนี้ไม่ได้มันร้อนกันบางทีมันก็หนาวเย็นมันย า, ย, ายากออกคายท่าคนที่มีความโลภความโกรธเราไม่อยากอยู่ใกล้แล้วกันนะเนะมันไม่เย็นน่ะมันมีอารมณ์กลุ่นหยู่ในไม่โลภก็โกรธอีกประเภทหนึ่งนี่ มีความหลงเป็นพืชเชือ้อพอเข้าใกล้มาแล้วก็โอ้มันน่าเบื่อคนนี้ฮะคนนี้มีมีความหลงมากๆไปเจอหน้าที่ไรก็นั่งหน้า ง, ง, างาอคอหักหางตกเป็นปต้นตำรับประทูที่แม่กลองน่าเบื่อเจอที่ไรก็หน้า ง, งาอคอหักเนี่ยเป็นประทูแม่กลองเลยนะ เห็นแล้วก็เบื่อ <c oughs> นะไม่ตื่นแต่วันนี้เข้าใกล้แล้วทำให้เราไม่ตื่นคนที่จิตเป็นปกติมีความรู้สึกตัวตัวพร้อมอยู่เข้าใกล้ก็เย็นเนี่ยดูนะทุกคนนี้เวลาแต่ละคนนั่งนสัมผัสเลยนะโอ้คนนี้ใกล้แล้วเย็นนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> วเพราะนั้นเราจะรู้ได้นะเพราะใจเราเนี่ยมันบอกเลยว่า ออมันเกิดการสัมผัสเรียนรู้แต่ละคนแต่ละคนเย็นได้เนี่ยประโยคของสติและในยามป่วยไข้เนี่ยสติสาคัญมากเลยสติในยามป่วยไข้เนี่ยสาคัญมากเพราะความป่วยไข้มันเกิดที่กายหรือที่ใจครับเกิดที่กายมากพอกายป่วยซึ่งจิตมันไม่เกี่ยวนะ แต่จิตกลับเป็นทุกข์กับมัน <Yeah. S 1> กายมีโรคไปก็เจ็บจิตเป็นทุกข์ว่าจิตมันคิดปรุงแต่งสารพัดอย่างโอ้มันจะหายไหม mm hmm. เกิดความกลัวเกิดวิตกกังวลสารพัดอย่างซึ่งไม่เกี่ยวกับโรคที่ป่วยเลยไปกังวลเรื่องอะไรไม่รู้โอ้นี่เราคงจะต้องหยุดงานอีกหลายวันแล้วใครจะเลี้ยงลูกใครจะดูแลบ้านไม่เกี่ยวกับเรื่องป่วยเลยว่าจิตมันคิดปรุงแต่งจิตมันขาดธาตุรู้เป็นที่พึ่ง ก็ปรุงแต่งสารพัดอย่างเผลอใจมันป่วยมากกว่ากายก็ตอนนี้ลหละไม่มีสติรู้ทันกายที่ป่วยก็ทำให้ใจมันป่วยหนักกว่ากายป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจให้ใครช่วยหามไปหาหมอหน่อยไปเองไม่ได้แล้วมันป่วยหมดสาคัญสติถ้าไม่สติรู้ทันปับโอ้นี่กายป่วยใจไม่ป่วยนี่ กายป่วยใจยิ้มก็ได้ร้องเพลงก็ได้ทําอะไรก็ได้ใจอิสระไม่ตกเป็นทาตของกายที่ป่วยกายก็พากายไปหาหมอก็จบเนี่ยมีสติอยู่นะเนี่ยบางทีทุกขเวทนามันมากทางกายถ้าขาดสติเหมือนแล้วก็เราก็เข้าไปเป็นไปอยู่ไปยึดครองว่าทุกขเวทนานี้เป็นของเราทางนั้นเลยหนอ แต่ถ้ามีสติสติถอนจิตออกมาจากทุกขเวทนาได้สติเนี่ยสำคัญนะลักพาจิตให้หนีจากเวทนานะพ <g ül> าจิตมาอยู่กับอุศนดีกว่าทนนี่จะไปหมกมุ่นกับทุกขเวทนาทางกายก็หายยากินบีบนวดอะไรก็ว่ากันไปไหมมันเกิดปัญญาที่แก้ปัญหาทุกขเวทนาไม่ใช่เวทนาเมือ่อเราก็น่าให้เมื่ออยู่นั่นแล้ว เมื่อยไม่ใฉดเราเนาะเนี่ยเมื่อยเรื่องของกายไม่เฉดเรื่องของเรานั่งปะโถปฏิบัติธรรมทาไมถึงลําบากอย่างนั้นมันเมื่อยก็มีสติรู้แล้วก็เปลี่ยนให้มันซา <c oughs> จะไปนั่งให้ลำบากทําไมเคลื่อนเปลี่ยนยบทโอ้กายนี่มันทุกข์เนี่ยเราต้องช่วยเหลือมันนะกายเนี่เหมือนเด็กต้องช่วยเหลือมันนะกายเหมือนคนป่วยต้องช่วยเหลือมันนะสติปัญญามันช่วยขยับกายใจรู้ถ่านมันก็ใช้ได้แล้ว อย่าไปต้องไปอดทนจนกระทั่งพาร่างกายไปละบายอย่างนั้นสงสารมั่นกายนะ <c oughs> ถ้ามีสติแล้วมันลักพาจิตออกมาจากทุกเวทนาอิสระเลยนะ <c oughs> แยกกายแยกจิตแยกจิตออกจากทุกเวทนาก็ด้วยสติสามัญชั ญ, ญาเนี่แหละถ้ารู้เนี่ยแหละเพราะมันคนละอันอยู่แล้วป่วยคือป่วยรู้คือรู้ <c oughs> แต่ถ้าขาดสติมันก็รวมเป็นหนึ่งเดียวเลาป่วยเลาเจ็บบางทีกายอาจจะกระสับกระส่ายร่างกายจกระสับกระส่ายเพราะโลกมันมันรุนแรงใช่ไหมแต่จิตใจไม่กระสับกระส่ายมันเป็นอย่างนั้นนะมันแยกกันเลยนะเนี่ยกายที่ป่วยทําอะไรใจให้ทุกข์ไม่ได้หรอกมันแยกกันได้อาจจะบรรลุธรรมเพราะตอนป่วยไข้นี้ก็ได้ ถ้ามีสติถ้าขาสติมันไม่บรุธรรมได้เห็นไหมพุทธสาวกในสมัยสมัยพุทธกาลไหมบรรลุธรรมเพราะทุกเวทนาที่แรงกล้าสามารถหลุดพ้นได้เป็นพระอาหารหันต์ได้ในตอนนั้นและยิ่งป่วยจนกระทั่งใกล้าตายจะตายอยู่แล้วเนี่ยถ้าขาสติเนี่ยมันก็ตกอบายภูมิถ้ามีสติเนี่ยมันรู้เท่าทานกายที่มันจะตาย ก็จะตายด้วยจิตใจที่สงบมีสติไม่หลงตายถ้าขาดสติเมื่อไแล้วก็จิตมันไม่นั่งมั่นหรอกมันก็มีแต่ความทุกข์การกังวลคนเราเนี่ยเผชิญหน้ากับความตายหลายรูปแบบนะบางคนกลัวดินน้นรนทุรนทุรายแล้วก็ตายไปได้วยความทุกข์ควา ม, วามลําบากอย่างนั้นอะ่ะและดูเถอะคติที่ต้องไปไปไปไหนอะ่ะจิตไม่ดีอะ่ะ แต่คนปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นส่วนมากจะไม่เป็นอย่างนั้นเ น, นีเพราะว่าเป็นการฝึกสติเอาไว้ฝึกจิตเอาไว้จะตายด้วยจิต ใ, ใจที่สงบไม่หลงตายเพราะว่ารู้เท่าทันความตายเสร็จแล้วเห็นแจ้งในเรื่องของความเป็นอนาตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเห็นแจ้ง มันไม่มีใครตายเพราะมันหายตัวไปแล้วและใครจะตายไม่มีตัวที่จะต้องตายอธิตายคือเรื่องเรื่องของร่างกายมันเห็นแจ้งเรื่องอนัตตาอนัตตาปแปล ว, ว่าความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมีตัวอยู่แต่ไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกมีโดยสมมุติสติที่เราสั่งสมเข้าไปเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเราสั่งสมอะไรไว้สิ่งนั้นก็จอมเต็มในใจเราค่อยๆเติมเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นผลไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรและต่อไปพอใกล้จะตายขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันรวมตัวกันทุกอย่างมันรวมตัวพอถึงเวลาจิตมันจะสลัดเลยมันไม่อยู่แลกกับกายมันจะหาพบชาติใหม่เนะ จิตมันจะแสวงหาพบใหม่มันจะไม่หมุนุ่นกระตายกับเรื่องของร่างกายที่มันจะต้องแตกทำลายล่ะจิตมันรู้ก่อนะจิตมันรู้ก่อนมันจะหาฐานที่จะไปเกิดอีตรงนี้แหละถ้าขาสติก็จะปรุงแต่งสารพัดอย่างนะสิ่งที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยมันจะช่วยจะช่วยเราในตอนระยะสุดท้ายอย่าคิดว่าเราทําแล้วไม่ได้ผลอะไรได้ได้ผลก็ค่อย <c oughs> เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆ <c oughs> ถึงเวลาเนี่ย ก่อนตายสี่นาทีหนาทีเนี่ยมันก็จะมาช่วยมาเกิดขึ้นตอนนั้นถ้าเรามีสติมีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มเห็นชัดตอนนั้นก็ได้อาจจะบรรลุธรรมตอนจิตสุดท้ายก็ได้แล้วสึกชิงพบคืคอจิตสุดท้ายว่าจะไปข้างบนหรือจะลงก้างล่างร <c oughs> ำคัญหน้าสติเนี่ยเป็นตัวชี้ขาดเลยนะถ้าขาดสติขาดกรรมการก็มั่วไหลลงที่เดิม <c oughs> สังสมไม่เถอะวันนี้ไม่เห็นผลได้เป็นไรหรอกเนี่ยเมื่อเราปลูกต้นไม้ใช่ไหมเนี่ยปลูกวันนี้ลดน้ำวันนี้มันไปเก็บผลในวันหน้าได้ไม่ใช่ว่าเทศน้ำปับ๊บโผล่ดินใส่ปุ๋ยโ อ, โอ้ตรงนี้ออกมาแล้วเว้ยออกนี้มาดูนลดน้ำวันนี้มันไปรับผลในวันหน้าลดน้ำที่โผล่ออกผลที่ปลายนะ <c oughs> การฝึกติก็อย่างนั้นแหละใช่ไห ฝึกไปเรื่อยๆเถิดเทคนิคของการฝึกก็ง่ายๆคือให้ทำแบบผ่อนคลายทำแบบสบายๆทำเล่นๆแต่ทำเรื่อยๆ <c oughs> ทำแบบให้มีความสุขสนุกกับการเจริญสติสิมันจะพบว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยสุขแท้ทางธรรมนะทำสบา ย, บายๆเล่นๆผ่อนคลายแต่ทำเรื่อยๆอย่าไปเอาจริงจังหน้าดามข่าเคร่ง โอ้จะเข็นตัวไปสู่ความทุกข์ทำไมทำเล่นๆแบบผ่อนคลายเนี่ยเทคนิคนะและสําคัญคือเราต้องมีศรัทธาอย่างพวกเราเนี่ยมีศรัทธาอยู่แล้วถ้าเราศรัทธาในสิ่งไหนแล้วก็อยากขยันในสิ่งนั้นศรัทธานํามาซึ่งความภาคเพียรถ้ากาศรัทธาเราก็คงจะไม่มาเห็นไหมเนี่ยหยุดต้อง4ี่วันวันหยุดยาวเงี้ยเราไปเที่ยวกไกลๆก็ได้เราตั้งใจจะไปเที่ยวไกลมาแล้ว นะไปพักผ่อนแต่ไม่ได้พักผ่อนหรอกมาที่นี่ที่ได้พักจิตพักใจได้มาอยู่กับบุญกุศลนะได้การปฏิบัติบูชาหลังจากวันนี้ไปแล้วาอาจจะไม่มีชีวิตได้ปฏิบัติบูชาอย่างนี้ก็ได้นี่เราคือคนที่ไม่ประมาทเนี่ยคือพักใจพักผ่อนแท้จริงผลออกมาไม่ค่อยเหนื่อยหรอกมีแต่ความเบิกบาน ไปเที่ยวไกลๆสี่วันห้าวันกลับมาดูที่โซแ่แคก์กันทั้งเนี่ยเราคิดว่าเลือกพักผ่อนได้ถูกต้องพักทางกายพักทางใจถึงเวลากินก็ไม่ต้องทำอาหารเนแล้วมีคนคอยดูแลด้วยนะมีพระกลุ่นเจ้าคอยดูแลเราเพื่อนฝูงมากมายสนุกบันเทิงในธรรมดีกว่านี้อย่างเงี้ยมากเงี้ยแต่ว่าเรามีศรัทธาแล้ะ เติมไปหน่อยคือเติมความเพียร น, นะขยันขยันรู้ขยันรู้มันจะได้บุญครบสมบูรณ์ไงมาแล้วจะทานแล้วอย่าให้เสียเปล่าฐานมันดีแล้วต่อยอดด้วยการขยันขยันเจริญสติเนี่ยเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนาไปสู่ปัญญาพ้นทุกได้เนี่ยเนี่ยคือเทคนิคของการที่จะทำได้ดีก็ต้อง ทำแบบผ่อนคลายสบายๆเล่นๆทำเรื่อยๆแล้วก็มีศรัทธามีความเพียรตันนี้อุปสรรคสาคัญเนี่ยอุปสรรคนะสาคันะคญกนะ็คือเรื่องของความคิดน่ะ <c oughs> ถ้ามีความคิดสติไม่เกิดหรอกคิดทีไรสติหายทุกทีถ้ามีสติความคิดไม่เกิดเหมือนกันนะสติกับความคิดนี่มันจะเกิดพร้อมกันไม่ได้ ใจคือสนามดูสิไว้สนามเนี่ยใครมันจะคลองสติจะคลองหรือความคิดจะคลองเราได้โอกาสแล้วสติคลองเลยรู้สึกตัวไว้นี่คือเรากำลังยึดคลองพื้นที่เนาะถ้าความคิดมาก่อนเราก็ฝึกสติมากๆดีเราก็ผลักดันออกจากพื้นที่เอาสติมาคลองไว้ะมันง่ายเดียวคือทำหนึ่งเดียว อย่าไปทำสองห้ามความคิดไปห้ามความคิดแล้วก็ฝึกสติเราทำสองให้เหนื่อยไปทำไมเราเติมความรู้ตัวเนี่ยความคิดอยู่ไม่ได้เนี่ยเมื่อเรานั่งตรงเนี้ยแล้ว่างนี้นะไม่มีใครมานั่งซ้อนหรอกไม่มานั่งกอดที่เลื้อที่เนี่ยถ้าเราห่วงที่กันนั่งทำทั้งคืนไม่มีใครมานั่งกับเราคนที่ห่วงที่นะนั่งไปเถอะคนเดียวเดี๋ยวพรล่งก็เอาใบกวาดมาไล่ <c oughs> ใจแล้วก็เหมือนกัน เรามีหนึ่งเข้าไปคลองเอาไว้อีกอันหนึ่งเข้ามาไม่ได้หรอกแต่หนึ่งนี่สติเพิมอมเลยแล้วก็เดี๋ยวก็คิดปรุงแต่งไอเนี้ยคืออุปสรรคสําคัญเลยเห็นไหมไอที่เราหลงไหเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรามีสตินะไม่อย่างอื่นนอกจากความคิดอย่างเดียวทํำให้เราหลงแต่ไม่ยากเมื่อมันคิดมากไม่เป็นไรหรอกคิดได้เราก็รู้ได้อย่าไปว่าความคิดอย่าไปรังเกียจมันนะ ความคิดจะเป็นต้องใจแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งคิดก่อนนะขอพักใจเนี้ยมันคิดขึ้นมาสติรู้โอ้ไอเอาไอความคิดที่ว่าเราไม่ชอบเนี่ยมาเป็นบทเรียนอุปกรณ์สอนทําให้กับเราเลยเพราะมันคิดทีไรรู้ทีไรในโอโหตัวตนหายไปเยอะเลยนะกิเลกก็ดับปูบต่อหน้าต่อตาเลยให้มันคิดเถอะเดี๋ยวเราจะรู้ความคิดห้ามไม่ได้แต่เรารู้ได้นะ เพราะนั้นทุกอย่างเลยไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแค่รู้มันตะพึ่งะพูไปท่นา <c oughs> นเองมันคิดก็คิดแต่เราก็รู้มันอุปสรรคไม่ใช่อุปสรรคแบบมันคืออุปกรณ์อุปกรณ์พัฒนาจิตเราทางนั้นแหละอยามออุปสรรคถ้ามองอะไรก็อุปสรรคไอ้นี่ก็ไม่ไหวไนี่ก็ไม่ดีแล้วชีวิตเรามันจะพัฒนาได้อย่างไรนั่นแหละเอาอุปสรรคเป็นอุปกรณ์พัฒนาจิตไปสู่ความรู้แจ้งมันคิดมารู้ ก็ได้คะแนนมากมายอีกตัวนึงตัวสําคัญหน้าอุปสรรคตัวนี้ตัวที่สองตัวที่หนึ่งคือความคิดแต่รู้ทันแล้วก็ไม่ใช่อุปสรรคอันที่สองคือความขี้เกียจโอ้นี่อุปสรรคใหญ่เลยความขี้เกียจเนี่ยถ้าขี้เกียจแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วเพื่อนเก่าไปไหนไปด้วยอยู่กันเน้อกับตัวเราความขี้เกียจเนี่ย ไอ้ศรัทธารมก็จะทํานะศรัทธาที่จะปฏิบัติก็ปฏิบัติอีกใจหนึ่งก็พักวกมาดีกว่าจับจับจดจดเอาเหตุเอาผลหาเรื่องที่หยุดทําอยู่เรื่อยนั่นแหละคือความขี้เกียจมันมาผสมโลงก็ติดกับใจเราะน่ากลัวนะแต่ไม่เป็นไรหรอกขี้เกียจในเรื่องเล็กเหมือนกันพลิกจิตนิดเดียวเปลี่ยนเป็นเป็นความขยันซนะ นั่งยกมืออยี่ยทําไปโอ้ขี้เกียจเนอย่าเพิ่งหยุดนะทําไปเรื่อยนองขี้เกียจเนยยกมือไปเรื่อยยิ่งขี้เกียจยิ่งยกเข้าไปยกให้มันหนักๆดูซิว่าความขี้เกียจความขยันเนี่ยอะไรมันจะเหนือกันความขี้เกียจเที่ยงไหมโอ้ถ้าขี้เกียจเที่ยงเนี่ยเราคงจะไม่ไปนั่งตรงนี้หรอกนอนหลับอยู่บ้านมันไม่แน่หรอกมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไป ที่จนะเติมความขยันเติมความขยันไปเรื่อยล่ะความขี้เกียจมันมีแค่ช่วงขนาดหนึ่งเอาขยันก็ไปแทรกและยึดพื้นที่ความขี้เกียจอีกแล้ว <c oughs> ก็เป็นความขยันเป็นกุศลด้วยที่เรามองเห็นอุปสรรคเนะี่ยมันไม่ใช่อุปสรรคมันสิ่งที่เราไม่รู้ความจริงต่างหาจึงมองเสียดเป็นอุปสรรคมันไม่ใช่อุปสรรคพิธีแก้ไขก็คือกล้าที่เผชิญหน้า ก้าที่จะแก้ไขอุปสรรคเลยกลายเป็นเครื่องช่วยพัฒนาจิตเราให้รู้แจ้งนเนี่ยเพราะนั้นเราจึงเวลาที่เหลือเนี่ยวันสองวันเนี่ยนะหรือจะออกจากนี่ไปแล้วเนี่ยก็ขอให้เราเห็นคุณค่าของสติดำเนินชีวิตการเติมสติเติมความรู้ตัวไปเสมอเสมอ อยาเคลื่อนไหวฟรีๆอย่าคิดฟรีๆอย่าทุกฟรีๆเคลื่อนไหวจิีไรใจก็รู้ทันจิตคิดเมื่อไหร่ใจก็รู้ทันจิตโกรธแล้วก็รู้ทันพัฒนาธาตุรู้สิ่ น, นั้นมันก็เพราะว่าธาธาตุรู้มันจเจริญขึ้นสิ่ น, นั้นก็จะหมดค่าหมดราคาไปอย่าไปทุกฟรี free. นะบั่นทอนจิตใ จ, ใจแล้วเราเปล่ า, ลามันทุกเมื่อไหร่ใจรู้ทุกเมื่อไหร่ใจรู้เอาละ รู้บ้างทุกบ้างมันก็จะได้รู้อ่ะในพัฒนาบ้างนะถ้าเราไม่ฝึกจติตวิญญาณไว้เนี่ยเราไม่รู้จักชีวิตจริงๆของเราเลยรู้แต่เรื่องสมมุติอยู่เรื่อยไม่เห็นสภาวะจริงแท้ในตัวเราว่ามันมีตัวตนอยู่จริงไหมเนี่ยสติทำให้เราเปิดเปิดของที่ปิดนาะงายของที่ควม่มทำสิ่งที่ยากให้ง่ายทำสิ่งที่มากให้น้อย ลัดตัานไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เร็วก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่รู้จักความจริงของชีวิตหรอกอนะก็อธิมโมธนาบูรุษทุ ก, ท, กท่านนะนที่มาปฏิบัติภาวนาในวันอาสนะบูชาในวันนีน้ผมก็ถือโอกาสที่มาร่วมทำบูกุบ ท, กท่านด้วยท่านทุกคนนี่คือเนื้อนาบุญให้ผมได้หวานไถ พลอยมีบุญเขาด้วยเนี่ยพวกเราก็มากันหลายคนเนี่ยคุณศิรีนาศมีพระคุณเจ้าชัดชัยเนี่ยคุณฟ้าจากญี่ปุ่นเนี่ยคุณสุดเทพคุณสุดทินคุณจรินคุณลุนเนธโอ้นี่มาท่วมอนุโมทนาบุญมาแสดงความยินดีมาช่วยปลอบมือยกมม้ยกมือให้อ่อนี่มาปฏิบททัติธรรมปฏิบัติบูชานะก็พวกเราก็พลอยได้บุญไปด้วยใช่ไหม แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยจงเจริญสติให้เข้าถึงปัญญานำพาชีวิตให้พ้นจากความทุกข์มีดวงตาเห็นธรรมในวันนี้พรุ่งนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด